พะบัญญัติ1นก็ภิกษุณีใดบวชให้สาชีวินีแล้วไม่พาหลีกไปไม่ให้พาหลีกไปโดยที่สุดแม้เสิ้นระยะทาง5ถึง6โยต์ต้องอบัดปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันทาจบ